เนมาขึ้นชตุกันนีมานพปัญหานิเทศที่11ท่านชตุกันนีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้กล้ากล้าข้าพระองค์ได้ฟังแล้วว่าพระองค์ไม่มีความใคร่ในกรรมคือหมายถึงองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่มีความใคร่กา ร, รมล่วงพ้นห่วงกิเลสจึงมาเพื่อจะทูลถามปัญหาพระองค์ผู้ไม่มีกรรม ที่มาเนี่ยรู้กิติศัพท์ของพระองค์เนี่ยนะจึงมาเพื่อจะถามปัญหาข้าแต่พระองค์ผู้มียานดังดวงตาอันเกิดพร้อมกับความตรัสรู้ขอพระองค์จงตรัสบอกสันติบทคือนิพพานข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์จงตรัสบอกธรรมะอันแท้จริงนั้นแก่ข้าพระองค์ขอให้บอกพระนิพพานให้แก่ข้าพระองค์เลยเถิ คือคําว่าฆ่าแต่พระองค์พวกแก้วกล้าข่าพระองค์ได้ฟังมาแล้วว่าพระองค์ไม่มีความไข้ในการมคือข่าพระองค์ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาทรงจําเข้าไปกําหนดว่าแม้เพราะเหตุดังนี้ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกสารธีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า ผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมอันข้าพระองค์ได้ฟังกิติศัพท์ของพระองค์แล้วว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ไม่มีไม่ใคร่กามจริงๆคําว่าข้าแต่พระองค์ผู้ก ล, กล้าเนี่ยคือวีระว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกล้าเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าวีระพระองค์ทรงมีความเพียรทรงองค์อาจ ทรงให้ผู้อื่นมีความเพียรผู้สามารถจึงชื่อว่าวีระอันผู้แกล้งกล้าผู้ก้าวหน้าผู้ไม่ขลาดผู้ไม่หวาดเสียวผู้ไม่สะดุ้งเป็นผู้ไม่หนีผู้ละความกลัวความขลาดแล้วปราศจากความเป็นผู้ขนลุกขนพองเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงชื่อว่าเป็นผู้แกล้งกล้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเว้นแล้วจากบาปประธรรมทั้งปวงในโลกนี้ คือทรงล่วงเสียแล้วซึ่งทุก์ในนรกทรงอยู่ด้วยความเพียรทรงมีวิริยะมีประทานทรงแ ก, กล้าเป็นผู้คงที่ท่านกล่าวว่ามีพระหฤทยัยเป็นไปอย่างนั้นเนี่ยคือมีใจเว้นจากบาปเป็นผู้ที่ล่วงทุกในอบายทุก์ชนิดเป็นผู้มีความเพียรมั่นเนี่ยนะคงที่ในอารมณ์ทั้งปวง คําว่ากามก็คือวัตถุกามกับกิเลสกามเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงกําหนดรู้ ว, วัตถุกามด้วยยาตะปริญญาตีรณปริญญาทรงละกิเลสกามด้วยปะหานะปริญญาคือเพราะทรงกําหนดรู้ ว, วัตถุกามเพราะทรงละกิเลสกามแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ทรงไคร่กามวัตถุกามทุกชนิดนะพระองค์เอามาทําปริญญารอบรู้ทั้งยาตะปริญญาและตีรณปริญญาหมดแล้วทีนี้ฉันทราคาในวัตถุกามทั้งหมดเนี่ย พระองค์เนี่ยตัดได้หมดแล้วนะเฉือนความเยื่อใยเฉือนความสเนหาในในกามได้หมดเกลี้ยงเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ใคร่ในกามไม่ยินดีในกามไม่ติดใจในกามทั้งหลายคือไม่ได้ชมเลยว่ากามนี่มันประเสริฐไม่ได้ชมสังขารธรรมเลยว่าสังขารธรรมนี่เยี่ยมมั้งเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่มีกามออกจากกามแล้วมีกามอันทรงสละแลว้ว สํารอกแล้วปล่อยแล้วละแล้วสละคืนแล้วปราศจากราคะมีราคหายไปแล้วมีราคานทรงสละแล้วสํารอกแล้วปล่อยแล้วสละคืนแล้วทรงหายหิวแล้วดับแล้วเย็นแล้วต่างจากปุถุชนใช่ไหมมันนึกหิวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเื่อยๆอยากไปเรืยนะพระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นพระองค์อิ่มแล้วอ่ะเรียกว่าเป็นผู้หายหิวเนี่ยนะเป็นผู้เสวยสุขมีพระองค์อันประเสริฐคือเหมือนสวยตนมีความสุขเหมือนพรมอยู่ เพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้แกล้าข้าพระองค์ได้ฟังแล้วว่าพระองค์ไม่มีความไข่ในการมเรียกว่าเป็นผู้ตัดฉั้นทราคะในวัดกิเลสกรรมทุกชนิดเพราะรอบรู้วัตถุการมเนี่ยนะคำว่าผู้ล่วงพ้นห่วงกิเลสแล้วคือผู้ล่วงพ้นห่วงกิเลสผู้ก้าวล่วงก้าวล่วงพร้อมเป็นไปล่วงซึ่งห่วงกิเลสพ่านคําว่าจึงมาเพื่อจะทูลถามเนี่ยนะสอบถามทูลวิงวอนเชื่อเชิญทูลให้ประสาท คำว่าจึงมาคือพระองค์ผู้ไม่มีกามความว่าค่าพระองค์มาคือเข้ามาเข้ามาถึงพร้อมเนีย่ยนะถึงพร้อมสมาคมกับพระองค์ก็เพื่อจะทูลถามปัญหาพระองค์ผู้ไม่มีกาพระองค์ผู้ออกแล้วจากกาสละแล้วจากกาสํารอกจากกาปล่อยกาละกาสละคืนกาปราศจากราคามีราคาอันสํารอกแล้วปล่อยละสละคืนแล้วนะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้ล่วง ห่วงกิเลสแล้วมาเพื่อจะทูลถามพระองค์ผู้ไม่มีกามคําว่าสันติก็ดีสันติบทก็ดีย่อมมีโดยอาการเดียวกันสันติบทนั้น น, น, นั่นแหละเป็นอมะตะนิพานเนี่ยนะบทอันสงบอย่างยิ่งคือพระนิพานเป็นบทที่สงบระงับจากสังขารทั้งปวงเป็นบทที่สละคืนอุปาิทั้งปวงเป็นบทที่สิ้นตันหาคลายกำหนัดความดับความออกจากตันหาเป็นเครื่องร้อยรัดฉะนั้นจึงชื่อว่าสันติ สมจริงตามพระพุทพธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าบทนี้สงบบทนี้ประณิตคือความสละคืนสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตันหาความคลายกำหนัดความดับตันหาความออกจากตันหาเป็นเครื่องร้อยรัดนะี่มันคำว่าสันติบทนี้เป็นชื่อของพระนิพพานโดยอาการอีกอย่างหนึ่งธรรมะเหล่าใดย่อมเป็นไปเพื่อบรรลุความสงบนันะ หมายถึงตัวธรรมะที่เป็นไปเพื่อบรรลุนิพพานเพื่อถูกต้องความสงบคืนนิพพานเพื่อทำให้แจ้งนิพพานธรรมะเหล่านั้นก็คือสติปทานสี่สัมมาปทาน 4, ี่อิทธิบาท4อินรี่ห้าพละหโพชฌงเจ็ดอริยมารมีองค์8ธรรมะเหล่านี้ก็ชื่อว่าสันติบทที่ชื่อว่าสันติบทเพราะว่าเป็นบทที่ทำให้ถึงพระนิพพานคาว่าพระองค์ผู้มีดวงตานะตาของพระพุทธเจ้าก็คือ สัพพัญยุตยานท่านกล่าวว่ายานเป็นดังดวงตาในคำว่าสหเนตะเองดังนี้ยานเป็นดังดวงตาและความเป็นพระชินเจ้าเกิดแล้วแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วในขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังกันที่ควงไม้โผพลึกเนะเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่า มียานเป็นดังดวงตาอันเกิดพร้อมกับความตรัสรู้ฉะนั้นจึงชื่อว่าข้าแต่พระองค์ผู้มียานเป็นดังดวงตาอันเกิดพร้อมกับความตรัสรู้ขอพระองค์เนี่ยจงตรัสบอกสันติบทนันะพระองค์เนี่ยชื่อว่าไม่ติดในกามแล้วก็มีปัญญารอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะขอให้พระองค์บอกนิพานอันนั้นด้วยเถอะบทว่ายะะัตยถาตัดฉังความว่าอมาตะนิพานเนี่ย สงบสังขารทั้งปวงสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตันหาความคลายกาหนัดความดับความออกจากตันหาเป็นเครื่องร้อยรัตเชื่อว่ายะถาตัดฉังนะขอให้พระองค์เนี่ยบอกยะถาตัดฉังคือพระนิพพานอันนี้ด้วยเถอะสรว่าเขาเออข้าแต่พระองค์ผู้กล้วกล้าข้าพระองค์ได้ฟังมาแล้วว่าพระองค์เนี่ยไม่มีความใคร่ในกาม ล่วงพ้นห่วงกิเลสคือโอฆาเป็นต้นได้แล้วจึงมาเพื่อจะทูลถามปัญหากับพระองค์ผู้ไม่มีกามข้าแต่พระองค์ผู้มียานดังดวงตาอันเกิดพร้อมกับความตรัสรู้ขอพระองค์โปรดตรัสบอกสันติบทคือ น, นิพพานและโพธิปัจจัยธรรมที่ให้ถึงนิพพานข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์จงตรัสบอกธรรมะอันแท้จริงคือ น, นิพพานนั้นน่ะแก่ข้าพระองค์ มาถามเอาแต่นิพานอย่างเดีะถามนิพานอย่างเดียว<ส>มุนชูไปปฏิบัติที่ไหนบอกอาจารย์ทำยังไงผมจะ น, นิพานออขอหนิ้พันอย่างเดียวนะ <c oughs> พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีเดช น, นนะเขาก็ชมต่อไปว่าพระองค์เนี่ยทรงมีเดชพระองค์เนี่ยทรงประกอบด้วยเดชทรงครอบงำกามทั้งหลายแล้วดำเนินไปเหมือนพระอาทิตย์อันมีแสงสว่างประกอบด้วยเดชย่อมส่องแสงปกคลุมทั่วปฐพี ขอพระองค์ผู้มีปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินโปรตรัสบอกธรรมะเครื่องละชาติและชราในพบนี้ที่ข้าพระองค์ได้ทราบแล้วข้าพระองค์ผู้มีปัญญาน้อยเถิดนะนะขอให้พระองค์บอกแก่ข้าพระองค์ผู้มีปัญญาน้อยด้วยแปลว่าขอบรรลุชาตินี้ด้วยนะขอให้พระองค์บอกนี้ผ่านแล้วต้องบรรลุชาตินี้ด้วยแต่จะว่าให้ตรงขอบรรลุตรงนี้ด้วยอางนั้นนะนะคนถามสมัยก่อนนะถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่หมดสิทธิ์เลยนะ สิทธิ์เลยคำว่ากาล่ะ น, นะพระองค์ครอบงามกามก็ครอบงามวัตถุ ก, กามกับกิเลสกามคือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกาหนดรู้วัตถุกามทรงละทรงครอบงามปกคลุมทรงท่วมทับทรงกําจัดย่ำยีแล้วซึ่งกิเลสกาลมันเสด็จเที่ยวไปดำเนินไปเป็นไปบำรุงเยียวยาเพราะฉะนั้นพระองค์คือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงครอบงามกามทั้งหลายแล้วดาเนินไป คำว่าชราชราท่านกล่าวว่าปฐพีแต่ของพม่าก็ใช้คำว่าชักคติที่แปลว่าแผ่นดินเนี่ยน ะ, ะพระอาทิตย์มีส่องอมีแสงสว่างประกอบด้วยเดชคือรัศมีส่องแผ่ปกคลุมครอบงำปฐพีให้ร้อนเลื่อนลอยไปในทั่วอากาศกำจัดความมืดส่องแสงสว่างไปในอากาศอันว่างเป็นทางเดินฉันใด พูดถึงดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างแก่โลกเนี่ยนะไอร้ ร, รังสีรัศมีของดวงอาทิตย์น่แหละส่องให้สว่างชันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีเดชคือพระยานประกอบด้วยเดชคือพระยานทรงกำจัดแล้วสมุท ย, ทยแห่งอัตกุสลาพิสังขารทั้งปวงความมืดคือกิเลสอันธการคือวิชา ทรงแสดงแสงสว่างคือญาณทรงกำหนดรู้ซึ่งวัตถุกรามทรงละทรงครอบงำทรงปกคลุมทรงท่วมทับทรงกำจัดย่ำยีซึ่งกิเลสกรมเสด็จเที่ยวไปดำเนินไปรักษาบำรุงเยียวยาเหมือนฉันนั้ น, น, นดวงอาทิตย์ทรงสว่างด้วยอนานาจรัศมีเนี่ยนะกำจัดความมืดในแผ่นปฐพีชั้นใดพระญาณของพระองค์ก็เหมือนกันกาจัดความมืดเขือวิชาในในอารมณ์ทั้งปวงนะ กำหนดรู้วัตถุกรรมละกิเลสกรรมที่ยวไปข้าข้าพระองค์เนี่ยมีปัญญาน้อยคือมีปัญญาต่ําสามมีปัญญาต่ํามีปัญญาสามส่วนพระองค์นี่มีปัญญาใหญ่มีพระปัญญามากมีพระปัญญาร่าเริงมีพระปัญญาเล่นมีพระปัญญากล้าแข็งมีพระปัญญาทําลายกิเลสคําว่าปัตถพีเนี่ยนะคำว่าภูริก็เป็นชื่อของปัตถพี พระองค์เนี่ยทรงประกอบด้วยปัญญาอันไพ่บูร์กว้างขวางเสมอด้วยแผ่นดินนะเห็นแผ่นดินเมื่อไรนึกถึงพระพุทธเจ้าได้เลยว่าพระองค์นี่มีปัญญากว้างขวางเสมอแผ่นดินไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะคำว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมก็คือโปรดตรัสบอกพรหมจรรย์นะนะก็โดยเฉพาะอริยมรรคกับพรหมจรรย์ที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดงามในเบื้องต้นก็เหมาะกับอุคติตันยูงามในท่ามกลางก็เหมาะกับวิปัญจิตันยูงามในที่สุดก็เหมาะกับ ในญาบุคคลน่ยนะธรรมะที่พระองค์สอนนี่ก็พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงธรรมะเหล่านั้นก็คือสติประธานสี่สัมมาประธาน4อิทธิบาท4อินทรีห้าพละ5โพชองเจ็อริยมรคมีองค์8พระนิพพานและข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นขอให้พระองค์ตรัสบอกธรรมะเหล่านี้ด้วยเถอดที่ข้าพระองค์ได้ทราบแล้วนะพระองค์บอกธรรมะที่ข้าพระองค์เนี่ยพึงรู้คือพึงรู้แจ้งพึงรู้เฉพาะ พึงแทงตลอดพึงบรรลุพึงถูกต้องพึงทําให้แจ้งธรรมะนั้นนะนะที่เป็นเครื่องละชาติและชาลาในภพนี้ความว่าเป็นเครื่องละเครื่องสงบสละคืนเครื่องระงับซึ่งชาติชารามรณะในภพนี้แลธรรมะอนนั้นก็คืออมาตะนิพานขอให้พระองค์บอกนิพานที่ละความเกิดและความแก่อีกต่อไปนะให้ความสำคัญมากทํายังไงที่จะละความเกิดได้ อธิบายสรุปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีเดชประกอบด้วยเดช ท, ทรงครอบงำกามทั้งหลายแล้วดำเนินไปเหมือนพระอาทิตย์อันมีแสงสว่างประกอบด้วยเดชย่อมส่องแสงปกคลุมทั่วปฐพีขอพระองค์ผู้มีปัญญากว้างขวางดุจปฐพีคือแผ่นดินโปรดตรัสบอกธรรมะเครื่องละชาติและชาราในภพนี้ที่ข้าพระองค์พึงทราบได้แก่ข้าพระองค์ผู้มีปัญญาน้อยเถิด ให้บอกให้เหมาะให้ตรงกับจริตอัธยาศายเลยว่ะกันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสต่อว่าดูก่อนชตุกันนี้ท่านเห็นแล้วซึ่งเนคข ม, มะโดยความกเกษมจงกำจัดความมืดในกามทั้งหลายเสียกิเลสเครื่องกังวลที่ท่านยึดไว้ควรสลัดเสียอย่าได้มีแก่ท่านให้เห็นเนคข ม, มะเนี่ยนะ ให้เห็นเนคขมมะคือนิพานและข้อปฏิบัติใหถึงนิพานเนี่ยกรเสมเยี่ยมเหมือนกันเถอะให้เห็นว่านิพานนี่เยี่ยมข้อปฏิบัติให้ถึงพระนิพานก็เยี่ยมก็ตัดกำจัดความกำหนัดในวัตถุกลามทุกชนิดกิเลสเครื่องกังวลที่ไปยึดอะไรไว้นะตัดให้หมดเพราะฉะนั้นไอความกังวลทุกชนิดตัดให้หมดเลยนะเนี่ยจะทําที่สุดแห่งทุกได้หรือไม่กัน ฟังแล้วอืมใช่แต่ว่าทำยากนนะแต่จริงๆนะท่านชตุกันก น, ก น, นะกก น, นีท่านทำได้